จะปฏิินไหมะอ่า่เมันเริ่มเปลงระดันะมันก็ไปเรื่ของการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นจิตจิตก็ปรุงแต่งไปตามัหานก็เกิดไปแก่ไป เ, ไปเจปเ็บไปตายไปโน่นไไปนั่ น, น, น, นมันเลยไปนะ มีเก่งทุกอย่างแต่มานิทานก็คือมันานมาแล้วที่จะเล่าต่อไนี้คือเรื่องโกหกทั้งสินเขาบอกวันหนึ่งข้างฟ้าปิดมุดมิดไม่สามารถจะเห็นดาวเห็นเดือนดาวนี้เป็นอย่างุตโยุของมนุษย์ ยกนั้นเป็นยกที่ว่างปราศสนะเป็นแผ่นบินทีกระราวแตกะแนะระแหงนะต้นไม้ก็แห้งใบร่วงหลรยอา <c oughs> บเผาจริงๆ <c oughs> ใครไปเกิดวะน้านะ <c oughs> ทั้งอากาศทั้งบนมองขึ้ไนไปไม่มีโอกาสที่จะเห็นดาว <c oughs> เห็นเดือนัเขาเลยมันมืดสมงหมด ไม่สนิทไปหมดเมือนกับดวงอาทิตดับอย่างไงอย่างนั้นแต่ดวงอาทิตไม่ได้ดับไม่ได้ดับแต่เป็นเพราะว่ามันเป็นวาระของดาวดวงนั้นที่จะต้องเป็นแบบนั้นนี่เป็นดาวดวงอื่นไม่ใช่ดาวมนุษย์นะขอละโลก <c oughs> ไปไกลหน่อยนะให้ทานตั้งไกล กลับไปหลายรอบหลายรอบใจจัดเปไหเขืกำลังดูข้าวอยูออยย่นดาวดงงันึงทั้งดวดงเนี่ยมันเปิดที่แห้งแลงนะแห้งแล้งแล้วก็มีแต่กลุ่มเงาดำๆหอำำออ้อมร้อมหนาแน่นตลอดไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นถ้าอยูเป็นลื่นโลกเปโลกนั้นจะมมีโอกาสได้เห็นอะไรข้างบนเลยจะเป็นดวงดาวหรือแสงสว่างอะไร มันเป็นอย่างนั้นนานมากนะทีนี้ว่าในจักราวาล น, นี่มันมีอะไรทันราแล้วต้องอะไรแสนโลกธาตุอะไรนะมันเยอะมากนะอนั้นจักราวาลมันจะ น, น้อยน้อยนะจักราวาลเราแค่ห น, นจักราวาลเราจักราวาลเดียวยังมีดวงดาวงเดียดะค์เห็นไหมมันมีหลายจักราวาลในพื้นของจักราวาลที่วันขอบเขตที่เธอมองเ็นาเป็นชจักรุกยานนะ มองไปสุดสาสายตาที่เราคิดว่าตามองเลยที่สุกุยมันยังเห็นที่สึดอย่างยากเลยแต่ฉันน่าจะเราจะกาหนดใจไปว่าตรงไหนคือที่สึกของจักรวาลมันเห็นจะไปะเตะถ้าเราไม่กำหนดว่าตรงไหนเป็นที่สึกของจักรวาลแล้วมองธรรมดาเราจะไม่เห็นเลยว่าที่สึกของจักรวาลอยู่ตรงไหนดังในในดาวดงหนึ่งที่มีที่มีความมืดมนห่อหุ้มอย่างเงี้ย มันเป็นที่น่าคิดถือว่ามนุษย์จะไปอยู่ได้อย่างไรหรือว่ามนุษย์จะไปอยู่ได้ยงไงนรือว่าเขาไม่มีโอกาสได้เห็นอะไรได้มีการตตลาดที่นั่นน้าก็แห้งแห้งต้นไม้ก็แห้ ง, แ ห, งแห้งไปหมดทุก อ, อย่างแห้งแล้วหมดเลยไม่มงก์ชันเนื่อมเลย เป็นดวงดาวที่ไม่มีใครสนใจเลยดวงนี้นี่นะดาวมนุษย์ไอยู่ให้ดาวมนุษยไอยู่แต่เมนั้นนะทำไมนี้เล็กหนาไม่รู้เออมันไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ในจั ก, กรวาล น, าากกานี้จะอยู่จักรวาลเีงแต่มั น, นั้นจะมีเออ เขาเรีว่าดวงจิตดวงหนึ่งครับท่องเที่ยวไปได้เลยท่องเที่ยวไปตามจั ก, กรวาลต่างๆคนชอบเที่ยวมันจะเที่ยวไปได้เลยนะไม่ไม่คําเ่งสถึงใครตกอยู่ในอํานาจของอะไรแค่าอานาจใจาตัวเองก็อยากไปก็ไปอนี่เขาได้เห็นจิตตัวไหมนี่จะเห็นจิตตัวเราเป็นตัวเองมากโสมหน่อยตามใจเนี่ยตามใจคือไทยแท้าเลย ชอบความเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับความคิดเห็ของใครไม่ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งสิ้นขึ้นกับใจตัวเองพึงพอใจทําอะไรทําในสภาพที่เป็นอิสระคือการล่องเราจะเที่กวไปจึงไม่จึงไม่อยู่กับอํานาจของใครถูกไหมถึงเวลาคนก็ไปกันนั้นถึงเวลาคนก็ไปทาสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่อยากไปไหนก็ไปไปเนึ่งพอไปเริ่มก็เจอพบดาวดวงนี้ย มีลักษณะที่แปลกแต่ตรงที่ว่ามันมีกลงเงาดำๆหอมร้อนอยู่ในเนี้ยมันจะหอมเราไปทําไมเอ้มันไม่เป็นที่ที่น่าอยู่น่าอาศัยอะไรเลยแต่ว่าดาวดวงเอ็นบ้างไอ้ที่แห้งแล้วก็แห้งแล้วไปเลยนะร้อนก็ร้อนไปเลยนะแต่ถเป็นไฟกเ็ฟกเป็นไฟไปเลยนะมันจะไม่เป็นแบบนี้ไอ้กึ่งๆบ้างทว่ามีมีเหมือนใช่ไหมมัน เ, เปร อ, อกนอกระนะ ห่อหุ้มเนี่ยหนาแน่ไปที่เงาดำๆหอมล้อมอะไรอย่างนั้นเนี่ยสภาพของเราเคลื่อนตัวไปไปใกล้ๆไปอยู่ใกล้ๆจะวิ่งเข้าผ่านในอากาศอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงไปลงไปก็ไม่มีอะไรนี่เวลาเราจะไปแล้วเราจะไปแล้วก็นั่งคิดว่าที่นี่แตะดีไม่มีใครเห็นเราหรอก ไม่ใครเป็นเราแน่นอนอ่าเพราะมันไม่โป ร, โปรมันมึดอ่ามันมันคลุมอย่างนั้นมันมึดไปจิตมันคิดเอาเองว่าเราลองอยู่ตรงนี้ที่นี่นนเงียบเงียบคนเดียวดูถ้าว่าจิตที่นเงียบเราไม่ต้องวุ่นวายไม่มีอะรต้องเห็นมันมึดเป็นหมดบรรยากาศไม่ดีเราอยู่ได้ไหม เราเคยชอบที่ของสวยๆงดงามแล้วหยุแบบนี้เราอยู่ได้ไหมเอ่ยลองก็กำลังกำลังใจตัวเองดูจิตเวลามันคิดอะไรมันเหมือนเบ้านไปที่ไหนใครจะพยากรมันได้วมันคิดอะไรเพราะว่าคามคิดของมันมันมันอาจจะแตกนอกเบ็นอกลอยว่าเจ้าบ้านเขาเร่งคามคิดมันอยากรู้ไอ้คนอยากรู้เลยมันสนไหมสน ไอ้คนตลาดหรื อ, อนอยากรู้มันคนอยากจะเฉลยได้ตัวเอ ง, นงในําไมนูในใจคนนะเพื่อที่เขาบอกวแเศษเราไปทำนะอยากไม่ด้ตัวเองมากกว่าไอ้สภาพของใจมันก็อยากจะกลองดูว่าเราอยู่ในที่ที่มันอับเฉามัวหมองเราจะไป็สุกได้ไหมเราเคยอยู่ในที่ที่มันสบายเราจะเห็นมันไหนมโทมโโลกเราไปไปอยู่กันแล้วแต่วันเราก็อยู่มาแล้วใช่ไหม เร่มนรสเราก็อยู่มาแล้วอยู่มไห น, นไเราก็อยู่มาหลายทีแล้วเดยที่นี่ที่เราอยู่ได้ไหที่ไม่มีใครเลยและเป็นที่ที่ย่างแย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดเพราะว่าน้ำก็ไม่มีอ่รราแมจะจัดก็ไม่ใช่จะไม่หาฟมเดียวกละสบายถูสะบายตาเ็ ก, ก็ไม่มีเพ้นอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ยังไงถ้าเป็เจ อ, อยู่ได้ไนหะ เราจะคิดยังไงว่าตามอยู่อ่ า, าอะใจเราเนี่ยไอ้ที่มันจะเดอดเราจะคาดที่ไม่ชอบใจมันจะเดือดไปยังไงคนมันมันเตืนตามไปตัวกันเองไหมไม่มันเตือนนะตัวธรรมดาจิตมันก็ชอบอยู่ในที่สวยชอบอยู่ในที่สบายมีความตกมากกวา่าที่จะไปอยู่ในที่ที่มันอัดเข่าในที่มันเอึดอัดจึงมาก มั น, นไม่มีทางมาจะเป็นอิเลไม่ได้ครนี้จิตดงนี้มันไม่เคยเหมือนคิดไม่เคยเหมือนชาวบ้านเขามันก็อยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าไอ้คนเราถ้ามันนม่สภาพภายนอกไม่ดีจะอยู่ยังไงเขาคิดอะไรกันและตัวเราจะคิดอะไรนี่ดูคนอื่นมากๆเลยตัวเองมั่งนะจุดจุการดูใจตัวเองว่าแล้วลจิตตัวเองจะคิดอะไรเขาทำยังไงรูไมถ้าทำให้จิตของเขาเนี่ยอ่า เคลื่อนเอาเคื่อนออกมามีเหมือนเหมือนกันคัปปี้อ่าอเป็นสองแล้วก็าต้ต อ, อบกันเขาถามตามคิดเห็ตอบกันเ่ลวางอยู่ในที่อับมับมืดๆไม่ได้จะคุยคุยกันเองเขาไม่ต้องการจะรู้ในความรู้สึกของคนอื่นแล้วแต่ น, นี้ต้องการรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าคิดเป็นยังไงเขาก็จะถามกัน อีกคนก็เปิดฉาอีกคนก น, ก น, าานี่จันนายันทนะี่นายันฮาฮ่าฮ่าฮ่าฟังไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งถามเดี๋ยวไม่สนุกฟังไปก่อนนะฟังไปคิดไปถ า, ามนี่เราไม่ได้คิดอจาเล่าเรื่องให้ฟังว่าจิต ข, ของเขาคุยอะไรกัน คนอนนะไรเขาถามเขาว่าอีจริงๆเขาถามว่าเธอเขาชอบอะไรเขาถามจิตที่ตุแยกออกไปเ้าก็บอกว่าฉันชอบออพู้ที่ไม่มีใครว่าอย่างฉันชอบในผที่ไม่มีใครถามว่าทําไมเป็นชอบอย่างนั้นเขาตอบว่า ถ้าในที่ที่ไม่มีใครมันไม่สร้างความวุ่นวายให้แกฉันท่านเองครับในที่ที่ไม่มีใครถ้าว้มนะถามว่าความวุ่นวายที่เัอว่ามันทาให้เิอทุกข์หรื อ, อถามจิตตอนนั้นก็บอกว่าจะบอกว่าทุกข์มันก็มาถึงขั้นทุกข์แต่เป็นสิ่งที่ฉันไม่ชอบนะเขาบอกฉันไม่ชอบจะถามว่าทุกข์ไหม แต่เพก็รเที่จะเลิกไม่เจริญเลยว่ในที่ที่ฉันพอใจจะไปอยู่ไม่จำเป็นจะอยู่ในที่ท so ี่มีอะไรมาบิบคั้นหรือว่ามีอาการบังคับให้ฉันต้องไปอิสระนะเขาตอบเขาอย่างนั้นนะจิตตรนี้ก็บอกว่าในความได้ทราบของเจริแล้วจรจะเลือกเอาที่ไหนล่ะที่ทีเจริอบจะมีไหมที่เจรมีความสุกแล้วเจริญชอบใจทุกอย่างเลงที่เจริผ่านมาเนี่ยเวียน ล่องไปเรื่อยๆมามาจากการเรียนไหว้ตายเกิดมันต้องามาแต่มาที่เจอถามมาเยอะๆเนี่ยเขาก็ถามเนี้ยมีที่ไหนที่ผมชอบบ้างเขาก็าบอกว่าท่นยังไม่เกิดอ่ท่ยังไม่เกิดที่ท่านเคยชอบมากที่เกดแต่มันก็ไม่สามารถทำให้ทันสลุกใจได้ตลอดเวลาเขาว่นน า, า, ว า, า, อ, วาอย่างนั้นแล้วท่านก็ถามว่าที่ไหนก็าบอกที่โรมาโลกไงก็ถามว่าจำไม่ได้เลย แต่ไมได้เลย น, นะเป็นที่ที่ไม่มีใครแต่ว่าเปนโลกมันมีคนเดียวนั่งโดดเด ย, ยคนเดียวอ่าชั้นจิตแค่สงบสบายคนเดียวแต่ว่าที่เป็นที่ที่มีคับมพอใจแล้วก็มันต้อเป็นที่ที่ไม่มีคนมาวุ่นวายก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ความสุขที่ชันต้องการจริงๆฉันเข้าใจว่าความสุขที่ต้องการจริงๆมันมันคัดค้านกับความพอใจของเธอเป็นงงไหมคุณนค้ชม เขาถามกันอย่างเงี้ยความสุขที่เธอพอใจทำไมเป็นคัดค้านกับความชอบใจของเธอถ้าว่าถามจากกัมอบจะมันหมายความว่ายังไงตรงนเาก็บอกว่ามันหมายความว่าก็เจอความสงบไม่มีใครไอ้ที่ชื่อวามวุ่นวายแล้วเธอทำไมแบบว่ามันไม่ใช่ความสุขที่เธอต้องการจริงๆ ใช่อย่างนั้นงงไหมคือเ้าไปอยู่ที่พม่าโลกเนี่ยว่าถามมาตอนที่อยู่ที่พม่าโลกเนี่ยมันจะเจยบอกตั้งแต่แล้ว่าเจอชอบที่จะอยู่คนเดียวแต่ว่าชอบที่จะไม่มีใครมาวุ่นวายแต่ว่าชอบอย่ชีวิที่โปร่งสบายแต่ว้าถาว่าที่สบายวิถีที่เจอเคยชอบแ่ะที่ไหนสั้งหมดอธิคมโลกจาไม่ได้หรือแต่ว่าแล้วย้อนกลับไปว่าแล้วทำไมเธอจึงบอกว่ามันไม่ได้ตามตุกที่ิศ ต้งการจริงๆเาขาว่าอย่างนั้นเราก็าถามต่อไปว่าจริงๆเราชอบอะไรกันแน่เาข า, าก็บอกว่าจริงๆเฉินก็ทบับสว่างแต่สวอางก็วุ่นวายเ้าก็อยากอยู่เงียบๆแต่มันไม่มีความสุขที่มันแบบตาผู้ใจของฉันชาบจริงๆคือฉันทำอะไรไม่ได้ ถ้าอยู่ทุกข์โศมวันหงทมีหน้าที่อย่างเีเท่ต้องสงบแต่ถ้าอยู่ไวหลังท่เนมีท่านมีโอกาสได้ปล่อยใจบางกังออกมาเช่นอยากจะไปเที่ยวไหนเชอยากจะไปอาบน้ำเชนอยากจะไปเด็ดดอกไม้เช่นอยากจะฟังดนตรีเช่อยากจะเด็สาวนางฟ้าร้องดำทาเพลงใช่ไหม่นอยากไปไหนก็ได้เหนคนเพ่อดๆนก็มล่อยตามไปจบบงันออกมาจะต้องสึกมีวามจบ แตในความสุขนั้นก็ยังไม่เป็นที่คอใจนั้นเพราะว่าฉันพบในสิ่งทีฉันไม่พอใจเพราะมันยังมีเจดานังฟ้าทำไมฉันวุ่นวายยังมีเลยทําทำไมฉันไม่มีความสุขอันจริงๆจริงๆเลยเขาก็บอกว่าเธอไม่แปลเวลาหนึ่งเธอก็บอกว่าความสงบเป็นสุขจริงๆร้งมีความสุขจริงๆอีกเวลาหนึงเธอกระชับใจใ้าออ ชอบสนกสนานล่าเลยเหมือนเหมือนคนเหมือนเด็กๆกันนะนะเออปเที่ันเที่วนี่ทำโด่นทานี่ของเเนี้ยจะมาจดมองเธอชอบอะไรกันแน่เดี๋ยววขาจะถามว่ามีไหมที่มีสองอย่างในเวลาเดียวกันมีหมที่ไหนบไหมที่มีทั้งความสุขที่มันตดต่อได้ตามใจของฉันและไม่มีใครวุ่นวายกับฉัน มีไหมเขาถามว่ามีไหมเอ่อที่จตง ว, ว่าฉันก็ยังไม่รู้เอจอกระเงก็กลังเดินหาอยู่อา่ากำลังเดินหาไอ้ที่ตรงเนี้ยอยู่มันอยู่ที่ไหนอา่าเขาคุยกันต่อไป ว, ว่าถามว่าเพราะทำไมใจคิดยอตัว อ, อยากจะนั่งตรงนี้ไอ้ที่มันไม่ถึงจะดีเขาบอกว่ า, วาฉันอยากจะรู้สึกดูว่าใจของจันเนี่ยมันชอบอะไรกันแน่ ถ้าฉันไปอยู่ในที่สบายฉันคงหาคาตอบไม่ได้แต่เวลาฉันมาอยู่ในที่ที่มันไม่เป็นที่ชอบใจของฉันฉันคงหาคําตอบกับมันกับตัวเองได้เหมือนเวลาเราทุกข์มันทําให้เราคิดแถ้าฉันไม่ทุกขเราไม่คิดแล้วก็จะเจริญไปใช่ไหมแต่เวลาเราประสบใจปุ๊บเริ่มแล้วคิดเริ่มคิดแตจะทำมันคืออะไรล่ะเพื่ออะไรเพื่อจะดับความทุกข์ของใจ เขาก็เลยบอกว่านี่เป็นอุนนบายของฉันที่ฉันอยากจะรู้ว่าถ้าฉันมาอยู่ในที่ที่มันไม่ชอบใจติดตับอย่างเนี้ยได้หยุดแบบเดียวคนเดียวเงี้ยเงียยไม่มีใครเลยเนี่ยจะหาความสุขจากตัวฉันเองได้ไหมนั่นคือตรวของเขาแล้วเขาผ่านมาเจอดวงดาวตรงนี้แล้วเขาลองมาอาศัยดูเพราะเถามคนต่อไปว่าแล้วจะไปไหนกันอีก ผมก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนอยู่ที่ไหนบ้างนะที่ไปแล้วจะเป็นอย่างที่เราต้องการอีกงจงเขาก็ทบทวนกันสิสองคนก็เราทบทวนอกันนะไอ้คนเล่าข่าวซักขาวก็ได้แล้วนี้เธอลอคิดทีเช่กันช่วยกันคิดหน่อยดีว่าที่มาขามมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่เร็นที่ใจใจเธอต้องการแล้วมีความต้องการที่จะาัฒนาจริงๆอยู่ไหมเขาก็ไล่ไปเลยตั้งแต่พรหมโลก เราไปอยู่ที่พรมโลกกันก็นกานแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนับครั้งไม่ถวนนับครั้งไม่ถ้วนของเราเน่นไม่มีอะไรแตกต่างอะไรสักครั้งเดียวคือเราต้องอยู่ด้วยตามเมือนจะว่ากดใจก็เหมือนกอดใจเมือนการบังคับใจให้นิ่งก็พื่อว่าเป็นตามสุขเหมือนเราคิดว่ามันเป็นเป็นตามสุขที่ใจต้องการจริงๆเพราะว่าเมื่อเราหนีความวุ่นวายแล้วหนีตามเดือร้อนซึ่งตัวเองไม่ชอบที่จะอยู่กับ สึ่งแวดล้อมที่มันรุหวาดอยากอยู่คนเดียวเราก็เคยหนีมันมาแล้วเราก็อยู่ในสมาธิแล้วก็คือเพื่อการส่งสมาธิของเราไม่ใช่สงสมาธิเพื่อการทําสมาธิจะเป็นการส่งสมาธิเพื่อต้องการให้จิตเป็นศกจริงๆัการอยู่ในสมาธิที่ทําให้จิตเป็นศกจริงไมง่ไม่คานึงถึ ง, งนนการเวลาเลยและได้คํานึงว่าจะไปไหนต่อนานได้ไหมมันนานนานนะ บางสมัยก็ยเป็นมนุษยสามารถทำสมาธิอยู่บนลูกทีวีในเดือนร้อนไปเลยแต่อยู่บนต้นมไม้ไป่ได้จะ่นั่งนย่อมลุกพวกนั่งในย่อมลุกนี่ึนต้นไมไม่ได้แต่ น, นั่นเพราะว่าเราทำสมาธิไม่ได้ทำสมาธิพื่ต้องการให้เป็นสมาธิ เกี่วังให้มันตรงสมาธิเป็นขั้นนั้นขั้นี้ขั้นนตรงอย่างนั้นตรงอย่างนี้เพราะว่าไม in, ่ได้ทําพั่ออย่างนี้จะทำเพื่อจิตสงบเป็นสุขเพราะมันถขกับความต้องการของตัวเองว่าต้องการอยู่เงียบๆอยู่ปราศจากความวุ่นวายมันไม่คงไม่มีที่ใดดีไปกว่าการสงบใจลงไปอาศัยใจของเราเองในการอยู่นั้นนานมากมันก็เหมือนกันเราบังคับตัวเองให้อยู่ในที่ที่เราต้องการแต่มันไม่ใช่ มันต้องใจสงบจริงสบายจริ ง, รงแต่มันยังไม่สบายมันเป็นความสบายแบบเพลรียกว่าอ่าดีที่สุดตอนนั้นที่เราจะทําได้แล้วแต่มันยังไม่ใช่ง ท, ที่ใจต้องการจริงๆเข้าใจไหมแล้วก็เลยมีความคิดว่าพรมเราก็อยู่มาแล้วตัง้งนานแสนนานหลายครั้งไหลาคราลวกไปกลับมากลับมากรกลับที่เดิมไปไปมาๆอยู่อย่างนั้นขึ้นขึ้นลงล ง, ลงขึ้นขึ ล, ลงอยู่พรมมากกว่าอยู่บนสวรรค์เลย เขาก็ไมาโลกเมาลองย้อนลองกลับอลงมาสิเรมาถึงส่วนมาแสวรรค์ละท่นไหนจะเคยทราบอยู่มากที่สุดเขาก็บอกว่าฉันทราบอยู่ตลรรท่ดวดึงเพราะดาวกดึงมีอะไรให้เราได้เห็นเยอะมากมันเป็นเมืองหลวงนะดังฟาเจวดามีอะไรให้เราได้ได้ดูเยอหน่อยถ้าเป็นทัานามาได้ดูเรื่องเดียวตรวจมน แล้วอื่นไม่ได้ไดูอ่าอ่อาจะไปจันเจอโดยจันทร์จาตัวเขาก็ติอตงานงานไปทำกันเขาก็ไม่ค่อยอยู่ประจำอ่ไม่มีอะไรน้าดูก็มีสว่างน้าดยเขาคือสว่างกันทนี่แหละดาวกระเดมันมันมีอยากหลอ่าเราดูเห็นเสวดากระดยนางฟ้ากรนเดยกับพี่คู่อย่างนี้การร้องรำขับร้องคนข้ามมีความสนุกสนานใช่ไหมเห็นมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ก็มีการประชุมของเสวนาในช่วงวันพระ ในนั้นก็จะเห็นพระท่านมาแสดงพระธรรมเจดีย์กันมาเครื่องมีอะไรหลากไหยในอารมณ์ในภพลาดจังเกอร์เขาบอกนั่นก็สิ่งที่เราชอบแต่จริงที่เราชอบกับเป็นสิ่งที่เราไม่ตรงกับความต้องการของเราทั้งหมดเพราะว่ามันวุ่นวายมันสบายใจตรงที่เราไปไหนมาไหนได้แต่จริงๆแเราก็อยู่ได้มีกฎเกณฑ์บังคับเพายังมีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่คือท่านเสืออิน เนเป็นใหญ่สมหมดเทวดาทางฟ้าทั้งหลายทาอะไรบางทีมันก็ถูกกำหนดจุดเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ปิดได้เรียกว่าล้ําเส้นไปหน่อยอ่าเป็นเทวดาล้ําไปหน่อยเนีเ่ยยัไม่มีขอบเขตเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ความที่เราไม่จรบขอบเขตไม่ครับอยู่ในบริเวณที่มีการกดเกณฑมีแบบมีแผนมันก็ทําทำให้ใจเรามันไม่มีความสุขมันจะไม่ตรงทั้งหมด เขาก็เลยบอกว่าเวลาเราก็ไปมาแล้วไม่ใช่เราไปไปเราเป็นอยู่บนสววันเช่นเดีวกันก็หลายครั้งที่นั่นเราเราพอใจแล้วแต่ก็จะมีชื่อชื่หนึ่งที่เราพอเจมากกว่านนั้นอีกเขาก็สุดกันเขาถาไว้ที่ไหนก็ที่ป่าหิมะพานเนี่จําม่ได้กันเลยอยู่ที่นั่นมากไปอยู่ที่ดาวเดินเอีกเขาก็สวดกันว่า เช่นเม่เคยเป็นคนท่าตาไม่เฉลียวท่าตามันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีสิ่งที่มากระทบใจเธอถ้ามันอยู่นบนสลัรรค์ดาวดงมันยังมีสิ่งที่กระทบใจเธอได้แม้เราเห็นเขาเห็นเขามีความสุขเราก็ยังรู้สึกอิจฉาอ่าแล้วงคู่กันไปเมี่อไรเสร็จอิจฉาเขาวิมานหลังงามหลังเสวยกว่าเราเราต้งเด็กไว้ไมเขาดูตลก มันยังมีเนี่ยเปัญหามันยังมีก so yes. ็ไ well, ด้ธรรมดาเนะความคิดมันก็ต้องคิดไปได้มากมายไอ้ความคิดที่มันตึงไปเนี่ยมันจะทําให้จิตมันเป็นสุขได้ยังไงมันก็ไม่สุขเพราะว่าคิดเป็นอย่างยก็ถามก็มาชี้ตาหิมะพานเนี่ยลราไปเหมือนลราเป็นใหญ่หมายถ่าว่ามันมีพวกเออเทวดาที่กขามีกำลังบนน้อยเห็นไหมนะเออ กำลังมูลน้อยครับะนสะาพตึงเจริญและตึงเที่เป็นรูปร่างเหมือนตัดมีอะไรเงี้ยถือก็ต้องอยู่ในปากเาต้องกลเกลือนทุกอย่างมีกินยนื้อมีมีันทยาคุดมีอะไรต่นี้อะไรหลายหลายอย่างแจะขนงก็เป็นที่พิเเพลินเหมือนกับว่าเราไม่ถูกกดเกณฑ์จากใครแต่ถ้โยนดาวเด้งมันมีกดเกณฑ์ถ้าโยนปากวิญญาณมันไม่ถกกดเกณฑ์นะแต่ตาไม่มีกดไม่มีเกณฑ์มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เรายัง ไม่เป็นสุขอนเชียจริงเพราะว่ามีผู้ที่คอยจ้องมองดูเราแล้วก็มารักษาความปลอดภัยของเราเพราะก็วสมัยนั้นที่เขาไปต่อหิมพานไม่ได้ไปในฐานะของเทวดาแต่ไปในฐานะของดาบุนักบวชและผูรร้เลวศีรษะก็ว่าตอนที่เราเป็นเลวศีเรียนที่ต่าหิมพัน์ แล้วอยู่ที่นี่หลายครั้งเพราะเราชอบความสงบที่เป็นทุนในเวลาเดียกันเราก็ได้คาอารมณ์ออกมาก็ยังได้เพื่อเชิญกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่อมันแตกต่างกับบนโทมาโลกใช่ไหมธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ปรากฏให้เราได้เห็นนีมันมีแต่ความสว่างความสงบเยอดเย็นที่ปรากฏมากกว่าเพราะสิ่งนั้นรูปเสียงจิตสัมผัสมันเป็นเครืนหนามของสมาธิใช่ไหมแต่ที่ ตาเห็นว่าคาเนี่ยถ้าใครสมาชิลงมามันจะมีรูปเสียงกลิ่สัมผัสพอทำให้เจริญเจริญไปได้อ่ามันจะมีสิ่งนั้นให้ดูมองดูเพลคลายอารมณ์ได้ใช่ไหมแต่ในเวลาเวลาที่คาอารมก็มองเราไปก็จะเห็นทุกจินรูปก็จะคอยคุ้มครองดูแลคุ้มครองดูแลจะไปไหนแล้วก็คอยต้องมองดูอ่า กัณดาเราจะทําอะไรจะไปตรงไหนเราจะคอยดูแลดูแลปก ป, กปก้องไว้ไม่ให้ใครมาบราาบกวนกระดาที่กําลังจเจริญสมาบัติอยู่ใช่ไหมที่นั่นก็จะเหมือนกับเขาหลุดออกจากสมาธิเขาจะไปเจดหลาเนี่ยจ ะ, ะ, จะ ไ, ได้จะไปไหนแต่เขาจะตามแต่เขาไม่ตามเขาที่ตามห่างอแล้วเมืเาปล่อยใจไปออกจากสมาธิกตา ม, าามเป็นตัวเราเขาจะเริ่มสนุกพอเริ่มสนุกก็เริ่มเล่นพอเริ่มเล่นมันก็เกิดปัญหา อ่าเกิดปัญหารตรงจุดก็ทําให้อ่าที่เขาอยู่ยกับเดือดร้อนจะรู้ว่าดาวเดดก็มีสิญยาสะมาปัดดังนั้นจะสายสายมิพาได้ยังไงก็ไปเรียนในระดับอะไรเ้าก็เรียนที่เรีนนี่เขาเลี่ยนสภาพความเป็นปกปติของเขามันเดือดร้อนไนหะเดือดร้อนไอ้ตามเดือดร้อนมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใจเราไม่สงบเขาก็บอกว่าเห็นไหม ในที่ที่ตัวเราเป็ดสุขมันก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่คามสุขที่ใจเราต้องการจริงๆมันอินสระก็จริงแต่มันเมื่อเราทำอะไรออกไปมันยังมีผลสะท้อ น, น, นกลับมามันไม่เหมือนทําให้เกิดเล่นเล่นได้ทําอะไรได้ใช่้หม เ, เขาก็บอกว่านั้นเราลองลองนึกถึงสมัยที่เราเป็นดาบกแต่เราไม่ได้มาที่ป่าเหยาผ่านซิในโลกมนุษย์ จาสงบไหมเดี๋ยวปากของปากเป็นมนุษย์นะเขาก็บอกว่าในช่วงสงบจริงแต่เมื่อเรามีฤทธิ์เราขนอง เ, อเราเชื่อเหาะไปที่นั่นเราเชื่อเหาะแสดงฤทธิ์ที่มีเราเชื่อทําให้คนเขาได้มีความรู้สึกอว่าเรามีปิจฉาฤทธิ์มีอำ น, นาจเราเรามีอย่างนั้นนะอ ทีนี้ถึงที่ตามมาคือตามเดิมแล้วคืว่าเขาขอให้เราช่วยเหลือแล้วสมัยนั้นเราก็จะไปขี้ข้าแต่บ้านเขาอเขาก็ต้องคอยมาหาเราผูเป็นดาบทขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือขอไอ้นั่นขอไอ้นี่ขอไอ้นู่ น, น, น, น, นเป็นอันว่าสมาธิไม่เป็นอันสงบเหมือนที่เราเคยเป็นเห็นไหมใช่คิดตลอดย้อนกลับไปการเป็นมนุษย์อยากทดสอบไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดถ <laughs> ึงมายถึงมนุษย์ว่ามนุษย์ที่เคยเคยเป็นลุงเจ้าจักรพรรดิก็เคยเป็นเป็นการตัดปกครองคนในประเทศต่างๆเราก็เคยเป็นเคยทําอะไรกันมากมายเพื่อคนอื่นเราก็ทํามาตั้งเยอะแยะถามนิดนึงว่าเขาถายนิดนึงว่าเคยสบายใจไหมเออถ่ายแล้วมันสบายใจไหมเออเขบอกว่าเขาเขาถ่ายเขาว่าไม่มีความสุขเลย เขาก็เลยถามเขาก็เลยคุยกันว่าเห็นไหมแล้วเราจะไปที่ไหนแล้วจะไปที่ไหนอีก<ม>เขานั่นเสียงกันอย่างเนี้ย น, นานพอสมควรนะสอบัไปสอบัมาสอบไปเขาสอบละเอียดตอนนี้นะที่คู่นึงมันแค่ละให้จางเดี๋ยวเวลามันจะไม่อ่อแต่คุยกันสักตู้นึงก็ได้ ถ้าคุยหยาบหยาบมันก็มันมีข้อตอแย้งเวลาคยกันมันเห็นภาพหนิถูกไหมอํานาจของจิตมันจะเห็นภาพมันก็จะแสดงภาพให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนันก็จะคางกันอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าที่มีการโต้เถียงกันขัดแย้งกันเพื่อให้คนได้ตอบตอบมาเป็นเหตุเป็นผลเนื่องด้วยมันยาวแม้นมันยาวก็เลยเล่าสวดไปฟังว่ามันจะลักษณะการคิดถามของเขาในเหตุผลที่จะเขาพอใจอะไร เต็บประงค์จริงสามปี เ, เขาต้องการจริงมันคืออะไรแล้วเขาต้องการสามสุกแบบเนี้ยจะมันไม่ได้อย่างที่เขาต้องการถ้าที่ผ่านมาทั้งหมดเลยไม่แต่ลงมาโลกลงมาเลยแล้วเขาบอกเราผ่านอย่านี้มานานแค่ไหนเขาบอกเขาไม่ได้นับมานานมากไม่ได้นับเวลาไม่ได้นับเวลาพอเขาคิดกันยอยู่สักพักหนึ่ง ให้โลกใบ น, นี้ไอ้ที่ว่าบดๆมันมีลงแสงพุ่งมาจากข้างบนไปวางออ ก, ากาอมางปุ่งเรียกว่าแสงมาจากไหนอ่แสบงบมาจากไหนแสงมาจากหนต้นก็คิดไม่ออกเลยว่ามันสว่างพุ่งออกมาเขาสองคนคิดกันคาดเองเลยว่า มืดต้องมีสว่างทุกอย่างมันต้องมีของคู่กันมันจะไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้แลย้ยหะหาหาที่ที่อยู่ที่ใจเราต้องการจริงต้องมีแต่ม่ไอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองแต่าาเขาไม่รู้ที่มันเรียกงเวลาหรอไม่รู้นะแล้วแต่ว่าเขาเห็นแค่แสงสว่างในผ่านตามมืดเขาคิดออกมาเปรียบเทียบว่า มันมีนมืดมันมีสว่างในโลกมีหรือว่าที่ไหนก็ตามในความเป็นใจทั้งหมดมันจะต้องมีของคู่กันเสมอมันจะไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะมีเกิดก็มีตายมันก็จะมีที่ไม่เกิดไม่ตายเห็นไหมใช่ไหมมันจะมีในงานที่สมัยที่พระองค์ทรงมาเป็นบารมีพระโพธยญาณนี่มีเกิดก็มีตายก็จะมีที่ไม่เกิดไม่ตายตอนนั้นเขาคิดกันอย่างนี้เหมือนกัน เพราะมันม we <mir prepar ers> ีนิมิตให้ตากรเห็นชัดๆไปในตามมกระดึสิ่งเลวลาทั้งหลายกับมีแสงสว่างสวัยและแสงที่เยือกยันเนี่ยพุ่งลงมานี่มันเองเป็นนิมิะว่ามันไ้ทางออกแต่ไม่มีใครมาพูดอะไรให้ฟังเพราะรู้ว่าจิตดวงนี้จะไปสอนมัน จะไปสอนมันมันเชื่อยากมีสอนมันแต่มันไม่รู้ในตัวมันเองนะมันไม่เชื่อหรอกมีสอนมันทีนี้ก็ทำให้ให้จิตของเขา่เขาถับสะพัดลงกันเป็นเป็นอันเดียวกันละเขาก็ตั้งมโนปฏิทานเนาะถึงว่าความตั้งใจของเขาเริ่มแน่วแน่ว่ะเขาจะต้องค้นหาแสวงหา ที่ที่เขาชอบใจที่สุดที่เขาว่ามีมีความสุขที่ตนเองถูกใจที่สุดเป็นที่อยู่ของเราให้ได้ที่แค่นี้นะมีความตั้งใจเพียงเท่านี้หลัจากนั้เขาก็ลอยจิดออกจากโรงโรงโลกโลกใบนี้ไปไอ้บามันจะอยู่นไหนไปลอยไปเขาจะค้นหาใครในว่าคําตอบที่คายใจเราอยู่มันต้องมีคนตอบเราได้ เราจะไปหาคูรู้ที่ไหนที่สา ม, มารถจะตอบถึ่งนี้ให้เราได้พบได้ใช่ไหมนี่จะไปหาจากที่ไหนละ่ะเขาก็ร่ำลังเข้าไปเรื่อยๆเขาคิกว่าเมื่อครั้งหนึ่งที่เขาอยู่ที่สมมาโลกเขาก็ไม่ได้พบใครนอกจากจะมีสมององค์หนึ่งมาค อ, อยเตือนว่าไปเกิดได้แล้วนานเกินไปแล้วแค่มัน แล้วก็ไม่ได้มีคำสอนหรือ ว, ว่าคำคนนี้แม้ว่าทำอะไรเพี่งให้ท่านร่าสติใจว่าคุณพอแล้วคุณหยุดสงบได้แล้วคุณไปเกิดได้แล้วแค่นี้นะเด็กตาไปเกิดได้วตัวเองเป็นคนที่ต้องที่จะต้องหาปัญหาเพื่อจะไปแก้ความความไม่เข้าใจของตัวเองให้ได้ เออลองคิดว่าจิต ด, ดวงนี้เคี้ยวคอยบางคนไหอนะนะติตงนะต้องไหมเออต้องการความรูร้ด้วยตัวเองต้องการคาตอบจริงๆแล้วจิตต้องการความสุขจริงๆไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้นะไม่ได้การความเป็นอะไรไม่ต้องการสิ่งอะไรสำคัญไปนิงกว่าความสุขที่ตัวเองต้องการ ก็าความสุขตรงนั้นน่ะที่ตัวเองคิดแล้วแเระถ้าเราอยู่ในที่ๆไม่มีใครไม่มีอะไรมาทําให้เราต้องเป็นภาระาในเรื่องใจแล้วเราจะทําอะไรออกไปก็ไม่ทําให้ใครต้องกระทบมาตัวเราอีกอย่างเนี้ยและการอยู่แล้ที่อยู่เนคนที่ไม่มีไม่ต้องมีเราไม่มีกิจต้องทําอะไรเลยแต่ว่าทําอะไรก็ได้แต่ต้องการให้เป็นอะไรทําอะไรอยู่ตรงไหนยังไงก็มีความสุขสบายตลอดลมันเป็นความคิดที่ เราคิดทั้งหมดแล้วถ่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยปัญหามันยังไม่ฟกมันเลยจะอันเดียวเมื่อรวมมาทั้งหมดหนึ่งเราต้องมีความสุขที่เป็นอิสระใช่ไหมการไม่มีไม่มีเรื่องที่ต้องคอยระมัดระวังและกดใจตัวเองการไม่มีสิ่งที่มาตัดเข้าไปทาให้เราต้องมีความวุ่นวายตัดสิ่งที่เราไปอยู่หนึ่งคือไม่มีหน้าที่การงานส <c oughs> <c oughs> องไม่มีภาระวุ่นวายใช่ไหม แต่ไม่มีไม่มีนายไม่มีนายไม่มีเบา่าไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรเป็นอิสระทาที่ใจต้องการได้ทุกอย่างควตมอย่นี้ จ, นจะไปหาที่ไหนเนาะไปหาที่ไหนละ่ะแล้วใชเวลาจากตรงนั้นอมาอีกนานมากาวันนานหลายสงงขยหาคำตอบแค่เนี้ย ไอนน้การยหารคำตอบแต่นี้มันก็ไปหาคนผู้รู้ในโลกมนุษย์นะจ๊ะเจ้ามาเพราะว่าดาวมนุษย์เป็นดาวเดียวที่มีท่านผู้รู้ได้มาอาศัยบำเพ็ญบารมีอั น, นี้มัต้องรู้ใช่ไหมเป็นดวงดาวต้องรู้เป็นตาเป็นพรก็ต้องรู้ว่าดามนุษย์ดาวเดียวท่า น, นั้นไม่มีดาวไหนโลกมนุษย์ใบนี้แหละที่มันมีอะไรมากมายเยอะแยะที่ผู้บเพ็ญบารมีเขาต้องมาเกิดแล้วก็มีผู้ที่ขวฟ้าหาควสุเหมือนอย่างเราีอยู่าไปหาเพื่อน คิดคิอย่างเรามีไหมเอ่ยี่เขามีความคิดอะไรเราอาจจะเอามา เ, เ, เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับเราของเราได้เอ่ยะ เ, เป็นคนที่ชอบที่จะอาศัยความคิดของชาวบ้านอ่าคิดเองคิ ด, คดมากแล้วนะเราไปถามความที่เขาคนเองอเขาบ้างว่าที่เขาคิดในทางอย่างเราเนี่ยมีไหมแล้วเขาครบแล้วหรือ ย, อยังอ่ย์ก็คล้ายๆกับ เออหลวงพ่อภาษาฤทือ์กับหลวพ่อภมิคลาที่ท่านเพื่อนกันนะเห็นไเวลาต่างองค์ต่างท่านจะทําตามดีของแต่ละคนไปที่เวลาท่านมามาสนทนากันว่าพบหรือย่างทางท้องทุกข์ท่านพบกันหรือยังถ้าพบแล้วมาบอกกันด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือมาจนตามคิดกันว่าถ้าเราเป็นคนคนเดียวเราอาจจะแคบกันไปเหมือนกบในตลาด จะเร่งร้อนเราไปหาความรู้จากผู้ที่เขามีความตั้งใจเหมือนอย่างเราหรือบ้างซกจะมีไหมก็มีที่ เ, เรียนโลกมนุษย์และการเปิดใลกมนุษย์เป็นของง่ายที่ไหนรู้อยู่เป็นอกทุกสบับไม่มีความทุกใดหนักอึง้งในความเป็นมนุษย์กะเพราะมันมันหลอกเราเยอะมากเลยเป็นอย่างที่หลอกหลงที่สุดะนะมันหลอกให้เราหลงมันหลอกให้เราชอบแล้วมันก็ฆ่าเรา ไม่เขารูร้ว่าเขาหลอกห้ดังให้เขาหลอกนะในเอย่างนันนน้นรูนน้อยูแล้วเยายไปสุขหลอกนะแต่ก็ต้องไปหาคนอะไปหาที่รู้อะอไปหาที่เขามีกําลังใจที่เดินทางเนี้ยเดินอย่างเนี้ยคิดอย่างเนี้ยที่เขาจะทํำยังไงใช่ไหมเออเราไม่ไม่สามารถจะไปถึงเขาพุทธเจ้าได้จนเป็ น, ป น, ปนมันสูงเกินไปใจมันมีกําลังไม่พอหรอก จะให้พระองม า, มามาหาเราแบบมาสอนเราอย่างนี้ข่าคงไม่ทําหรอกเรคือว่าโลกของท่านคงไม่เป็นอย่างเนี้ยเนสอนมันมันก็ไม่เอามันยังไม่เจอเองจะเชืเ่อไงใช่ไหมการที่มาเกิดเป็นมนุษย์ต่ละชาติแต่ลชาตินี่ีิมันทําใจมันไม่ได้อยากเกิดเพราะว่าพองการอะไรตั้งใจแค่รู้ มันมีเหตุผลยิ่เท่าเนี้ยที่การเกิดแล้วก็รู้อยู่ว่าเกิดมันก็ต้องมีกรรมสะสมกันไปมันเราพ่อหางหมูเลยเนี่ยยิ่งเกิดมากเท่าไหร่กรรมก็มากทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วนั่นดีทั้งชั่วมาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเยอะมากเท่าไหร่แล้วไปเกิดจีมันก็มันมันแบบของหนักนะไอจีรในตะก้าเราจะมีชิ้นสองชิ้นใช่ไหมเกิดแปดสามชิ้นสี่ชิ้นสักครึ่งตะกาแล้วมัอนจะเป็นตะก้ามันก็ได้แอนย เดินไแล้วก็แอะทุกทีก็หมายถึงว่ากรรมที่เราทําไว้ทั้งดีทั้งชั่วมันก็ติดตามให้ผลไปเอาตามตัวอย่างนี้นอะไรถึงก่อนพัจะเอาก่อนแต่ว่า ไ, ไม่มีหมดเกิดมากเท่าไรมันก็ไม่รู้จักหมดบุญมันก็ไม่หมดกรรมก็ไม่สิ้นเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจในกรรมคุณทํำยังไงคุณก็ต้องได้อย่างนั้นขอขอเพียงแค่ว่าโอกาส ที่เขาจะให้ผลแค่นั้นนหะลคุณปล่อเท่ามาไหร่คุณก็ได้รับผล ท, ทั้นทีบุญไม่ได้ไปตัดามบุญทำให้เ ด, ด, ดีกำเพร่เฉยกายกำลังใหญ่กว่าก็รับก่อนอ้าโอ้ก็ลงคิดอยู่ถ้าเรารู้ทั้งรู้เนี่ยว่าเกิดลงไปมันต้องเป็นอย่างเนี้ยฉันถามหน่อยอ่ะถ้ามันมีทางเลิอกปี่น ก็ไม่เกิดหรอกมันยังเล็กๆเล็กๆเกิดเชิดชูรีเหย่อไปติดจุเหยื่อต้องไปจักระทันมาเลยเล็กน้อยมากนี่เด็กยโชคดีแล้วนะเอกก็ไอ้การที่คิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไอ้ชันไม่ยึด เช็คคำตามใครนี่อ่ะฉะนันไม่ได้ตามหลงพ่อเพราะว่าฉันเราจะต้องตามหลงพ่อไปทุกเรื่องทุกราวที่ไหนอือคือตอนนั้นมันไม่รู้มากกว่า น, นั้นแล้วนะเออมันไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปคือทางเลือกที่ตัวเองคิดเนี่ยมันไม่มีแล้วจะจะได้เข้าข้าพระ พ, พุทธเจ้าหรือมันก็ยากกับปันดานของตัวเองอย่างหนึ่งใช่ไหมไอ้ขันจะช่วยในสิ่งที่องค์ทรงพูดกันเลย มันก็ไม่ใช่ฉันฉันยังไม่ได้เห็นทั้งหมดครบใช่ไว่าต้องรู้อะไรถ้าต้องรู้อะไรเราก็ต้องรู้เหมือนท่านสิถ้ารรู้เหมือนท่านเราก็จะพ้นทุกข์ได้ยังไงไอ้รู้ธรรมดาธรรมดาฉันก็ยังขันหัวใจเพิ่งดอีนั่นแหละไอ้ <c oughs> มันเป็นสันดาล <c oughs> มันก็ต้องลองถูกลองผิดลองจูลองผิดเลยไปฮนะ <c oughs> โอ้ไม่จังบัญญาแร้ครับครับ <c oughs> แลารคับ เกิดมาเพื่อรู้มันไม่เหมือนจะเกิดมาเพื่ออย่างอื่นนะเพรเราเกิดมาเขาะีะหนึ่งเป็นสุขมันจะมีที่มั่นที่หมายบางนหมมันจะรู้สึกเออนั่เป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นสุขอย่างฉันไปหาครูวันเนี้ยคุยอยู่สองคนตายใยญ่แปดสิบกว่าทั้งคู่อยู่บ้านสองคนแล้วรอบข้างในมีแต่อันตรายไม่มีรถแล้วขอบขอินแม่ค้าเขาบอกว่ากลัวเหมือนกันนะแล้วไม่รู้ใครจะตายก่อนกันเขาคุยกัน ไม่ต้องแค่ตายแล้วถาใครป่ว ย, ยก็ยัไม่รู้ทำกันยังไงสองคนจะทำํำยังไงเขาบอว่าอ้าผู้ชายป่วยอา้าผู้หญิงยังทำอะไรได้บ้างแต่พอถ้าอา้าวผู้หญิงป่วยชันลงโง่เลย <c oughs> อันนี้ไม่ไอะไรเลยเขาบ่กเขาคุยกันสคนตายใหญ่ครูครูนี่ยก็ไปเยี่ยมประชารู้ไหแต่เขายังมีตามสุขนะเครื่องดนตรีที่เขาสร้างเอาไว้ว่างอิเด็กทรดนิกส์บนในห้องเี่ยเขาบ่า ที่นี่ไม่มีใครมีฉันอยู่สองคนงั้นฉันจะวางตรงไหนก็เรื่องของฉันแล้ววางตรงไหนฉันเห็นได้ตัวอื่นก็พอใจแล้เดินติมมาเห็นเครื่องดนตรีอยู่ข้างหน้ากระพอแล้วเขาบอกใครเห็นเขาดีสุกและมีความสุกสบายเขาแสดงด้วยความสุกจริงๆนะเราตาได้ความรู้สึกต่อกมาเป็นความสุกมันเป็นความสุกของเขาอ่ะที่เขาได้อยู่กับเสียงดนตรีอยู่กับเครื่องดนตรีอยู่แค่นี้เป็นครูที่มีความเมตตาเรียกผู้บรหารสื่อว่าเขาเดินได้ดีบ้าง มุชิตายินดีเนี่ยโอ้ใครดีก็ยินดีมาความกันอยู่เป็นเลยจะมีความสุขฝากไว้แต่เนี่ยไอ้เกอย่างเนี้ยยังโชคดีกว่าฉันนะเนี่ยก็จะมีอะไรที่ทําให้ท่านเป็นสุขได้บ้างเออเช่ไเอ่ยถ้โชคดีนะเกิดมามันแต่จริงที่เป็นความสุขที่ไม่ยัง่งยืนก็จริงนะแต่ในความเปรมย์ก็ยังไม่ที่มีอะไรที่ทําให้เขาเป็นสุขได้ก็จะเอเอน่ายินดีแต่สาหรับเราเราไม่เห็นนะ ท่านเห็นเลยท่านไม่เห็นท่านเห็นน่จะเป็นสุขเลยท่านไม่เห็นเลยนะนะครับเราจะคุยฟังในตามภาษาเราตกเกิดเป็นรลกศิษ์เนี่ยนะไปเยี่ยนเกิดท่านหนึ่งแต่เราอะไอ้การที่เรามาเกิดถ้าเกิดมามันมีมันมีจุดประสงค์การเกิดเนี่ยเกิดมาตามหัวเกิดมาตามเนื้อมันมีจุดประสงค์การเกิดใช่ไอมจะเกิดมาเกิดมาเพื่อบำเพ็ดบารมีเป็นพระพุทธเจ้ามีจุดประสงค์ ก็มีจิตประสงคเกิดมาเพื่อจะอ่าช่วยงานประกากศาสนามีเกิดมาเพื่อจะมาทําบุญเกิดมาเพได้มาทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มันมีความตั้งใจของการเกิดมันมีอยู่ถูกไหมมันไม่ได้เกิดตรงเดชไอ้ท่านเกิดมาถ้าอยากรู้จะไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรแค่ต้องการเรียนรู้จริงๆว่ามันมีหนทางไหนที่จะผลัดความความที่ท่านจะเจริะทั้งหมด แเ้าต้องการจริงๆหรือความสูที่ต้องการจริงๆอย่างนี้มันจะไปเจอที่ไหนนี่คือความเป็นสันเจ้ามาไม่เหมือนคนเองเขาเจ้ามาแทนนี้แล้วมาแบบนี้มาไปด้วยถียุบเลยนะตอนนี้ยังไม่เจอรอยอยู่รอตายรอบนั่นแหละรอตายอย่างเดีวยว อะไรท่าพูดให้ฟังนั่นแหละมันยังหาที่ลงไม่ได้เอบไ้น่าเสียไดบางคนก็บอกว่าแต่งงานกันได้ไหมแต่ไม่เรื่องประเวณีแอบเดี๋ยแบบอยู่ยวแบบเยวสองคนน่ะแอบเพื่อนกันอ่ดวยกันแต่งสามีภรรยาแต่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรกันได้ไหมไม่่องดันกลาได้ไหมแอ ทุกคนมันชอบแบบนี้ก็มีใช่ไหมแต่จะหาที่ไหนอ่ะที่ไหนมันเยอะโตใหญ่ตามว่ะไอ้ที่ตามตั้งใจของคนมันมีทุกคนเนี่ยตามปรัชนาเล็กๆอ่ะมันก็เป็นการตามสุขอย่างฉันพูดเนี่ยจะไม่เนื้อหาไมเจอเนื้อหาไม่พบใช่ไหมไอ้ที่พบปฏะการคือพุกเนี่ยตลอดการเลยอยู่พบแน่นอนไม่ต้องถามกันดีกว่าไม่ต้องถามกันละ ถามใจตัวเองดีกว่าง่ายดีตอบได้ยังได้ลองนิ่งๆสงบแล้วคุท่านยกปลองคุยกระจตัวเองดูสิถ้ามันมันจะตอบไม่ได้อ่ะโอ้โหมันทิ่เขียนน่าพอสงไข้อ่าตามมาแล้วไปกันต่ไป